ห5 6ความเสื่อมทั้งสี่ข้อนั้นหมายความว่าอย่างไรความเสื่อมทั้งสี่ประการนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระยากรไว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ความเสื่อมยังไม่เกิดแต่พระองค์พระยากรไว้ล่วงหน้าว่าในอนาคตศาสนาพุทธจะเสื่อมกันอย่างนี้นั่นคือจะหลงเชื่อว่า อาจารย์ผู้บรรลุพุทธธรรมรู้แจ้งยิ่งในจารณะสิบ้าวิชาแปอันเป็นจารนะสมบัติและวิชาสมบัตินั้นคือผู้ที่จะศึกษาปฏิบัติเพื่อการบรลุธรรมต้องออกสู่ป่าไปเป็นพระป่าเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็จะเป็นอาจารย์อยู่ในป่านี่แหละไม่ออกไปสู่เมืองสู่บ้านสู่นิคมบ้าง เละเละเล่มเล่มข้างบ้านข้างป่าบ้างอยู่ป่าสวยสวยบ้างอยู่ป่าช้าบ้างป่ารกชัดบ้างเพราะมันเห็นได้ชัดชัดว่าเป็นที่สงบต้องหนีโลกหนีสังคมให้ห่างไกลมีวินัยมีหลักเกณฑ์เคร่งครัดปฏิบัติให้หน้าเริ่มใสก็ชื่อว่าหลุดพ้นในรูปธรรมก็ห่างพ้นหลุดจากโลกสังคมกันง่าย ตื้นตื้นเห็นกันได้ชัดชัดอยู่แล้วนี่คือความเสื่อมในข้อหนึ่งเป็นการบรรุรู้ได้กันทั่วไปง่ายๆเป็นลทัทธิที่มีอยู่ประจำโลกไม่ว่ายุคใดยุคไหนย่อมมีอยู่ตลอดการส่วนความเสื่อมในข้อสองนั้นคือเป็นพระป่าเแท้เป็นฤาษีดาบทนักพรตนักบวช ที่มีวิชาแก่กล้าในแบบเทวานิยมร0อเปอร์เซนลึกลับลึกล้นจนหาคำตอบไม่ได้แต่เก่งฉกาดในทางอิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารเก่งคาถามนตราสวดมนต์มีฤทธิ์ได้เป่ามนต์มีฤทธิ์ได้ปลูกเซกเก่งบันดลบันดาลเก่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์สารพัด เหาะเหินเดินน้ำดำดินเนรมิตได้สารพัดนี่คือความเสื่อมในข้อสองเป็นการบรรลุรู้ได้กันทั่วไปง่ายๆเป็นลทัทธิที่มีอยู่ประจำโลกไม่ว่ายุคใดยุคไหนย่อมมีอยู่ตลอดกาลเป็นเทวนิยมเป็นค่านิยมออกป่าเท้ ไม่นิยมความเจริญทางวัตถุยังมักน้อยสันโดษอยู่บ้างนี้คือแบบพระป่า